ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิ ท, ที่ภาษาดิบุตรได้จำแนกอธิบายแก่ภิกษุซึ่งมากราบเรียนถามท่านโดยเริ่มต้นที่จำแนกเป็นกุศลอกุศลพร้อมด้วยรากงา โดยเน้นไปอกุศลก็เน้นไปที่อกุศลกําหนด10บประการคือกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนโทุจริตสามก็มาจากความโลภความโกรธความหลงในส่วนของกุศลก็เน้นไปที่กุศลกําหนดสิบประการเหมือนกันแต่ว่าคือกายสุจริตนะครับ สุจริตทางกายสมข้อสุจริตทางวจาสี่ข้อสุจริตทางใจก็สมข้อมือนกันโดยเน้นไปที่รากง่าวก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจากนั้นพระเถระก็มาแสดงแบ่งเป็นวาระวาระไปบรรแรกก็คือเรื่องของอาหารอาหารวาระ จแนแม่กอาหารออกไปตามที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้คือเป็นสี่ประเภทเดี๋ยวนี้ก็มีสี่ประเภท น, นะฮะและต่อไปก็คงมีสี่ประเภทเหมือนกันนั่นคือกาวลิงการอาหารอาหารที่เราต้องดื่มต้องลิ้มต้องชิมต้องกินเข้าไปทางปาก ประการที่สองนั้นเรียกว่าผัสสะหารอ า, ารคือผัสสะได้แก่การกระทบระหว่างอายตนาภายในภายนอกวิญญาณก็กลายเป็นผัสสะหรือสัมผัสเรียว่าการกระทบกันก็จะแน่ก่อไปเป็น เอา6กข้อก็ได้นะฮะจักษุสัมผัสโสตสัมผัสกานณสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผั ส, ส, ม, ผ ส, ส, ม, ผสมโนสัมผัสประการต่อไปก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือความจงใจเจตเจตนาลมที่เกิดขึ้นภายในจิตนำไปสู่การทำการพูดการคิด เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้สรุปแล้วว่ามโนสัญเจตนาหารก็คือคือกรรมกรรมก็เป็นทั้งกุศลอกุศลและก็กลางๆวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณซึ่งได้แก่วิญญาณทั้งหกคือความรู้ทางตาเป็นต้นจนถึงความรู้ทางใจ แล้วพระเทราก็สรุปว่าเพราะตัณหาเกิดเนี่ยอาหารจึงเกิดเพราะตัณหาดับอาหารจึงดับอริมกักไปองแปดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารคือสัมมาทิฏฐิ ก, ก่อนๆมาถึงช่วงของการพูดถึงสัมมาทิฏฐิในระดับ ทั่วไปพูดง่ายๆระดับศีลธรรมจัญญาแต่ว่าในภาคสนามแล้วเราจะเห็นว่าก็เป็นมรรควิธีที่จะนำไปสู่ผลสูงสุดเช่นเรียวกับสมาธิในในอริยมรรคก็คือกรรมสกตาสมาธิปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรม และการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนประการที่สองเรียกว่าวิปัสนาสมาธิบรรยายเห็นชอบในกฎที่เสมอกันในสังขารทั้งหลายคือตกู่ในกฎของไสยลักได้แก่ความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนตตาการเห็นชอบตามความจริงเหล่านี้จะสามารถอย่างน้อยก็ลด เยร์น้อยก็ลดตัณหามาณทิฏฐิลงไปแต่ว่าการดับจริงๆมันต้องไปดับที่ตัณหามาณทิฏฐิได้ด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นสิ่งสมบัติเหล่านั้นก็เป็นศักว่าอาหารเป็นต้นเหล่านั้นนะอาหารเหล่านั้นก็สักแต่ว่าอาหาร ไม่มีทิพย์ลอะไรที่จะสร้างความอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนเกิดขึ้นภายในใจของท่านเพราะจากข้อต่อไปก็เป็นมัคคสมาธิฏฐิโดยทั่วไปก็คือรู้เหตุแต่ว่าโดยผลการปฏิบัตินะพัฒนาไปจนถึงข้าวหลักอริยมรรคแล้วก็คืออริยมรรคเบื้งแปดประการนั่นแะ แล้วก็พระรามาทิฐิปัญญาอนชอบในผลก็คือคือผลดีงามทั้งหลายก็ที่จริงทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละเราสามารถโยงได้ว่าผลเราเนี้ยเกิดมาจากเหตุอะไรหรือเหตุเหล่านี้นำไปสู่ผลอะไรแล้วเมื่อไปต้องการผลก็ไปดับที่เหตุได้ พอจะถึงจุดหนึ่งก็เป็นอริมรักแกเรียบุในที่บางแห่งท่านบรรจุฌานสมาธิิเข้าไปคือปัญญาเห็นชอบในฌานหมายความเห็นชอบในตัวฌานเห็นชอบในเหตุที่เกิดฌานเห็นชอบในผลที่ปรากฏแกจิตด้วยกำลังแห่งฌาน เช่นถ้าหากว่าเราไปเปลี่นเทียนทางจิตไปวิตกมันเป็นกุศลวิจารมันเป็นกุศลมันจิตมันเกิดปีติมีความสุขมีความสงบที่เรียวกว่าเอกคตาหรือเป็นสมาธิแล้วก็ปัญญาก็รู้ชัดเจนวันนี้คือปฐมฌานต่อมาวิตกวิจารดับ อิติเด่นขึ้น ส, เนนสุเด่นขึ้นสมาธิเด่นขึ้นก็เป็นผลเป็นผลก้องฌานก็รู้ว่ามันเป็นผลมาจากทุติยฌานพระการที่ปรากฏเป็นอาการของทุติยฌานเป็นต้นแล้วก็ปัจเจเวคณะสมาธิปัจเจเวขณะนี้มันเยอะนะ แม้แต่การพิจารณาเรื่องกรรมมันก็อาศัยปัจเจกคณะสมาธิจิตเจนทรงสอนได้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของกระตุจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมบันไดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหรือการพินิจพิจารณาในแนวที่เรียกว่า ปฏิสังขโย อ, อะไรเนี่ยที่พระจะต้องสวดจะต้องพิจารณาก่อนรับปัจเจ sĩ คณะใช้สอยบริโภคใช้สอยปัจเจ sĩ แล้วก็หลังจากบริโภคใช้สอยปัจเจ sĩ ไปแล้วก็เรียกว่าอภินาปจเวคขณะก็พิจารณาไปเรื่อยแหละจนถึงระดับญาณ ก็เป็นระดับสูงทีเดียวขึ้นไประดับสูงจะกระไรจะบรรลุแล้วเพราะวันนี้ก็แต่และหมดทั้งทั้งหมดนันก็คือสมาธิที่นี่สมาธิฐิในงองค์มรรคจริงๆที่ทรงแสดงแสดงเหมือนกันทุกคราว ก็คือความรู้ในทุกความรู้ในเหตุเกิดแห่งทุกความรู้ในความดับทุกขและความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงสึกความรับทุกขแต่ว่าคำว่ารู้นั้นมันเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นหลังจากปฏิบัติพัฒนาจิตใจจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงจุดหนึ่งความรู้ก็จะเกิดผุดขึ้น รู้เห็นความจริงในอริยสัจ์จะอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นช่วงของสัมมาญานถึงถ้าเรานับในอริยมรรคมันก็เป็นตัวมรรคคือในอริยมรรคนั้นเวลาเรียกเต็มเนี่ยเรียกว่าสัมมัตตสิมันเป็นนิโรจอยู่สองข้อก็คือ สัมมาญาณนะความรู้ในทางที่ชอบแล้วก็สัมมาวิมุตติคือจิตหลุดพ้นในทางที่ชอบเป็นผลรวมของความผนึกเป็นเนื้อเดียวกันเขาเรียกว่ามักคษามังขีคือมัค ก, ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งแปดข้อนีแล้วันเกิดญาณผุดขึ้นไปในใจ แล้วก็สว่างสวยไปเรื่อยๆจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ยานแรกก็เรียกวาสัตยานคือรู้ความจริงของอริยสัจแต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไรก็รู้ว่านี่ทุกที่เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความรับทุกนี้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกยิ่งแล้วก็ต้องทุกรู้ทุกลักษณะดยลักษณะของทุกด้วย อาการที่ปรากฏของทุกข์เป็นอย่างไรนะความมารู้ปั๊บก็รู้ละเอียดแล้วก็ต่อไปก็เป็นเขาเรียกว่ากิจยานคือรู้ภารกิจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในอริยสัจแต่ละข้อคือรู้ว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ พราเป็นผลที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างความแก่ความเจ็บความตายนี่เราก็แก้ไขอะไรไม่ได้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เจ็บนั้นแน่นอนมันเป็นทุกข์ที่จอทุกจริงๆนะ่ะทุกทเรียกว่าทุกที่เป็นสภาวะทุกข์มันก็คือเกิดแก่ตาย แต่ว่าความเจ็บที่จรเข้ามาบางทีมันก็นําไปสู่ความตายบางทีมันก็นําไปสูก่การหายและในการเยียวยาก็เยืยวยา ก, กันไปแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเสียมใจว่าอาจจะรอดก็ได้อาจจะตายก็ได้ถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็มีสองประตูแถบนีนน้ก็เดี๋ยวก็ไปหายก็ตายแหละ ไม่ตายก็หายแต่ว่าหลังก็ป่วยอีกนะครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับความเกิดหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่แก่เราก็ไม่เจ็บเราก็ไม่ตายแต่พอเราเกิดมาอันั้นจึงทำได้เฉพาะกําหนดรู้แมนเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรมมมนธรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดา ธรรมดาสี่เรื่องนี้ก็ปวนโลกอยู่แล้วยานข้อต่อไปเนี่ยมันเป็นตัวที่กระทำให้สมบูรณ์หมายความว่าอาการที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นต้นเนี่ยมันสมบูรณ์หม ด, ดก็รู้ว่าทุกที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ได้ สมุทยัยสมุทัยควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทาให้แจ้งนิโรธความรับทุกนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรมรควรเจริญเราได้เจริญละแล้วข้อความที่ท่านผู้ฟังคุ้นๆมากเนี่ยก็คือข้อความตอนช่วงท้ายของ อนัตตลักณสูตรที่จริงมันมีมันมีเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าเอาเฉพาะที่คุณคุณนะอนัตตลักณสูตรเนี่ยเราคุณเพราะว่าเป็นพระสูตรที่เรียนกันตอนต้นๆ้ น, นสูตรหลักทามาจากอนัตอจิตอนุบุปิกถาอริยสัจ ส, สี่อะไรตรา่ตรางตา่ตาเราคุณแต่ว่า คุ้นด้วยปริยัติเนี่ยส่วนปฏิบัตินั้นก็เป็นเรื่องตัวใครตัวมันเป็นเรื่องปัจจิตังเฉพาะตัวคนคนนั้นเพราะในตรงนี้เมื่อรู้แล้วก็มันขนจัดความไม่รู้ไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยบางทีเรียกว่าวิชา วิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปทีนี้มันเป็นวิชาที่สมบูรณ์คือแสงสว่างที่สมบูรณ์เราก็ทำให้กิเลสดับไปอย่างสิ้นเชิงตามปกติแล้วมักจะเรียกว่าอาสวะกายานเปรียญานที่ทำอาสวะคือกิเลสให้หมดไปจากจิตใจ แต่ก็มีค่าเท่ากันเนะ่ยคำว่าสมุทัยควรละเราได้ละแล้วมรรคควรเจริญเราได้เจริญแล้วก็มีค่าเท่ากันอย่างที่ทรงแสดงไว้ตอนท้ายพระสูตรทั้งหลายเนี่ยก็จะยกเอาขันธห้าขึ้นสรุปรวมมาตั้งแต่ช่วงแรกแรก ช่วงกลางๆนะฮะในนาตรลการสูตรนี่ส่งแสดงมาตามลำดับคือบทตั้งที่ส่งยกขึ้นมาเนี่ยไปอยู่คำคำสองสามคำต่นั้นเองวรูปังพิกเวีนัตตาทุกคนพิสูจน์ทั้งหลายรูปนี้เป็นอนัตาจากนั้นก็ส่งชี้แจงในประเด็นว่าเป็นอนตตาอย่างไร แต่ไม่ได้ทรงอธิบายว่าอย่างไรจึงเรียกว่าอนัตตาเพราะว่าเขาเรียกว่าลักษณะของอนัตตาที่ทรงยกมาในยกมาประเด็นเดียวอนัตตาตามปกติก็จะใช้อยู่สี่ประเด็นประเด็นแรกก็คือเราบังคับควบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ประเด็นที่สองก็คือทรงกันข้ามกับ ความเชื่อเรื่องอัตราตัวตนที่ถาวอนยั่งยืนมันไม่มีสถานะอย่างนั้นอยู่หรือสภาวะอย่างนั้นอยู่แล้วก็พอย่อยออกไปแล้วก็สูนยคือว่างจากทั้งของเราทั้งเป็นเราทั้งเป็นตัวตนของเราแล้วก็เราไม่มีเป็นเจ้าของอะไรจริงสักอย่างนนั้ ก่อนก่อนก็มีไปพอศกก็ลูกษิี่มาฝังเทศทิตร์สวฝังบญญรรยายอบรมฤทธิศิวก็เคยสอนหนังสือก็หลายแห่งก็เคยรู้มาว่าเขามีฐานะบางคั่งร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยคุยกันนะฮะไม่เคยคุยเรื่องรวยไม่รวยแต่คุยก็คุยแค่ธรรมะ ก็ตายไปแล้วเนี่ยก็ทราบว่ารายได้เขาเดือนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณหกแสนส่วนมากแล้วก็เป็นค่าเช่าอาคารสถานที่ที่พ่อแม่ได้สร้างเอาไว้แต่เราก็เห็นได้ชัดนะว่าเอาก็จริงพอบทจะตายเข้ามานมันก็ตายทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง นั่นก็เป็นบทเรียนให้เป็นอย่างดีตอนนี้คือความจริงของชีวิตมันก็เป็นอย่างเนี้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าขออะไรสักอย่างเนีงนน่งตะนึกว่าเป็นของเราของเรา ต, ตัวลงมันใช่ไม่ใช่ของเราสักอย่างเนี่ยเพราะงั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราควบคุมมันไม่ได้ควบคุมให้เราเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ บขอให้รูปเวทนาทัญญาทั้งขานวิญญาณพูงแงบขันห้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถอดขันห้าของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะขันห้าเป็นอนัตตาเนี่ยขันห้ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะพลัดพรากมันก็ต้องเป็นอย่างที่มันเป็น เพราะเหตุนี้เราจึงไม่สามารถตั้งความหวังว่าขอให้คณะเป็นอย่างนี้นะอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยเราตั้งความหวังอย่างนั้นไม่ได้และจากนั้นก็รับส่งให้คิดว่าเตอทั้งหลายสําคัญความข้อนี้เป็นไย่ข้นรคณเที่ยงหรือไม่เทียเ่ยงบรรเจ้าขีก็กราบทูลว่าไม่เทียเ่ยงรบรรเจ้าค่าเราสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์รเจ้าค่ และสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดารเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้ น, เ ป, น, เ, น, นเป็นตัวตนของเราท่านก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าก็ส่งสรุปเบื้อเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลาย ขณน่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขานนั้นก็สักแต่ว่าขันหาไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ เพรา ะ, ะคำว่าสัมมาญาณก็ดีคำว่าอาศสักกายานก็ดีก็คือตัวนี้คือสัมมาปัญญาเห็นชอบอเรียกว่าสัมมัปปัญญาแต่แน่นอนโดยขนาดจิตก็อาจจะคนละขณะกันแต่คำเหล่านี้บ่งชี้ถึงสถานภาพที่กิเลสมันสงบไปจนเกือบหมดแหละเขาเรียกเ่าตอนนั้นหมดแหละ แต่ว่าถ้าขนาจิตก็คงยังไม่หมดเพราะว่าเดลัสังในตอนต่อไปว่าอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนนายในขันทังหะเพราะเบือนนายก็จะคลายกันนะเพราะคลายกำลังจิตก็จะพน้นตอนนี้ยเป็นสมาวิมุตต์พอจิตพ้นก็ยาณมันก็ผุดขึ้นมารู้ชัดเจนว่าเราได้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ แล้วจากนั้นก็จะรู้อนาคตนะฮะที่มันเคยมีเนี่ยมันไม่มีแล้วหมายความว่าการเกิดซึ่งเราเคยเกิดมาเยอะแยะเราก็ไม่เกิดแล้วและกิจที่เราควรทำเกี่ยวกับการละ บ, บาปบาเพ็ญบุญมันก็ไม่มีอีกแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการละ บ, บาปบาเพ็ญบุญนั่นแหละ มันก็จบแล้ววิธิการที่ควรทําในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอีกแล้วเด็กกิจทำนองเดียกันก็ไม่มีนี่ก็เป็นความรู้ในสมาทิฏฐิจริงๆแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เรียกว่าสมาธิฏฐิแล้วนะมันเลยไปแล้วเป็นสัมมาญาณธัมมาวิมุตติไปแล้วแต่อย่าลืมว่าระดับนี้เขาพูดเป็นขณะนิดเดียวอะ ก็แยกไม่ทัน่ะท่องเอาได้นะฮะแต่ว่ายิตเรายังไม่ถึงขั้นที่จะไปแยกได้แต่ว่าท่องแล้วก็ได้ท่องจำก็มาว่าตามที่เราท่องมาต่ตัวรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่ออาเรียมรคกกสมมูรณก่อนแล้วสัมมัยานเกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งจึงเป็นสัมมาวิมุต ทนประการต่อไปเราก็ดูกรอบขององค์มรรคแต่ละข้อนะครับเพราะว่าอรมิมรรคเราก็เจออยู่บ่อยแต่เมื่อพระสูตรท่านว่าอย่างไงเรามีหน้าที่ว่าอย่างนั้นคือเราไปนอกครูไม่ได้เรียบเหมือนราชทูตอ่านราชสารอันนี้คือหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนมา ว่าผู้กล่าวทมนั้นจะต้องระหนักชัดเจนในตัวเองว่าตัวเองคือราชทูตอ่านราชสารราชสารของพระราชานี่ว่าอย่างไงอ่านอย่างนั้นเลยอย่าไปแปลงสารอย่าบีบไปเบือนข่าวสารต่างๆเพราะถ้าเราอ่านตามสารที่ปรากฏเราไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไรเพราะว่าพระสัพพัญญุตญาณในรับผิชอบแล้วเนื่องจากธรรมะที่นำมาสั่งสอนแต่ปกติเรามักจะพูดในทํานองว่าเป็นปริยัติโดยเราลืมมองวงจรของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทว่าก่อนที่จะเป็นปริยัตเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะก็เป็นธรรมะ แล้วมันเกิดขึ้นภายในหาดไทยของพระพุทธเจ้าจากอะไรล่ะจากการสัสรูเพราะจากการสัสรูที่รู้เจ้าทรงพิจารณาอยู่ตลอดเจ็ดสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นการทบทวนผลของการสัสรูว่าสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ที่เราใช้คำว่าสัสรูดีสัตรูชอบของพระองค์เนี่ย สมาสมุโทโธนะครับตอนมา อ, อยู่ภายในไทยพ ร, พระไตยของพระองค์ก็อยู่ในระดับของการสึกนึกพิจารณาทบทวนทบทวนกลับไปกลับมากลับม า, ก ล, บมากลับไปชัดเจนแจน่มแจ้งว่าไม่มีวิปลาสการเลี่ยนแล้วหาข้อยุติได้แล้วตอนพอพระองค์ปริงกับท่านปัญญวคี จนท่านโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยตัว น, นั้นมันเป็นปริยัติเมื่อเข้าหูของปัญญวคีนี่เป็นปริยัติแต่พระสุรเสียงที่เปล่งเนี่ยมันเป็นเสียงจากปฏิเวท ต, ตอนปัญญวคีก็พิจารณาตามไปมันก็เป็นปฏิบัติเมื่อปัญญวิคีบรรลุอรหัตเป็นราหันตอนสลับลนัตตะลักนาสูตรก็เป็นปฏิเวทในใจของท่านปัญญวคี พอท่านปเดวคีไปเทศมันก็เป็นปริยัติจากปากของท่านแต่ออกมาจากปฏิเวทเนในใจของท่านผลท่านจริงประรักกันตนะั้งแต่ตอนต้นว่าสัตมโมคารุกาตรบูสรังบุตธานศสาสนับุคคลเมื่อรำลึกถึงพระพุทธศาสนาต้องเคารพประสัตธรรมไม่จะพูดเรื่อยไป ว่ามันก็เพียงหนังสือว่าเป็นปริยัติมันไม่ใช่ปริยัติเนี่ยนะถ้าเราว่าตามที่พระพุทธเจ้าว่ามันก็ถ่ายทอดปฏิเวทจากพระไทยของพระพุทธเจ้าตอนเวลาพระเทศเนี่ยพระจะบอก แสดงธรรมเทศนาพันาน า, าศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราก็ถ่ายทอดไปตามที่สงง่งแสดงเพราะในพระสูตรจะมีลักษณะอย่างนง้ซ้ำก็คือซ้ำนะเพราะว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นหละจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงเช่นว่าคนอยากได้อะไรก็ตา มันก็เป็นโลภะนันแหละตราบเท่าที่ยังยังโลภอยู่นะตราบเท่าที่ยังโลภอยู่แต่ว่ากิเลสประเภทโลภเนี่ยบางทีมันเป็นพลังขับเคลื่อนนำไปสู่ผลคือใช้แบบสะพานได้ใช้แบบยยานผานะได้เราจะส่งแสดงว่าตันหังนิสายตันหาปหาตับบา อาศัยตัณหาเพื่อรับตัณหาได้หมายความว่าเรามุ่งไปสู่นิพพานตอนนั้นก็ยังมีความอยากในนิพพานอยู่แต่ตอนนิพพานเกิดมันดับตัวอยากตัณหาก็ดับเมื่อ น, นิพพานเกิดพอจากนั้นมันก็ไม่มีตัณหาแทีนี้สมมาสังเกตปะ สมาสังกับปะเป็นปัญญาที่พิจนาเห็นโทษของสมุทยัยสั์ที่มีต่อจิตตามจิตได้กระสับกระสายร่าเรอนไปด้วยประการต่างๆตามแรงดันขับเคลื่อนปรักสเสือส่อสของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเลย พยายามใช้สติสัมปญญาความเฉียดควบคุมความคิดตัวเองไม่ให้ขาดไปตาไม่ไม่ให้คิดไปตามการปรุงให้คิดของตัณหาของกาบมต า, าตัณหาเพวตัณหาบีเพว่ตัณหานั่นแหละแต่ในวิตกเนี่ยในในในสังกัปปะเนี่ยตรงเรียกว่าเนคข ม, มะวิตก คือตรึกนึกที่จะดึงกายดึงจิตออกจากอำนาจของกิเลสกรรมและวัตถุกรรมแต่จริงออกจริงๆออกจากกิเลสกรรมนะฮะแต่วัตถุกรรมเราคงเจออยู่งั้นเพียงแต่ว่าใจไม่เกี่ยวเกาะอยู่กับวัตถุกรรมเหล่านั้นเท่านั้นแล้วก็เหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของความไม่พยาบาทก็คือเมตตาธรรม เมตตาต่อกันอะไรกันแล้วก็ไม่เหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของวิหิงสาคือความเบียดเบียนความเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบีย น, ก, นยกุศลร้องในโกหกบ่นอย่างเงี้ยมนุษย์แตามมนุษย์ทั้งศาสตร์เนี่ยนะนี่เรียกว่าสัมมาสังกัป แล้วก็ต่อไปก็เป็นสัมมาวจา j สองข้อนี้เป็นปัญญาสิกขาสมาทิติกับสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นปัญญาสิกขาแล้วก็สัมมาวจาก็คือเจรจ า, าชอบโดยโวหารที่ส่งแสดงในที่ต่างๆนั้นอาจจะแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ความจริงเนี่ยเช่นต้น ตอนที่ทรงแสดงไปรูปศีลศีลห้าศีลแปดเนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลสิบก็เหมือนกันคือหมายความทรงทรงแสดงข้อเดียวงดเว้นจากการพูดเท็จต่อเป็นศีล เ, เป็นเรื่ององการงดเว้นงดเว้นใน ก, การพูดเท็จเมื่อไม่พูดเท็จก็ต้องพูด คำสัตย์คำจริงทีนี้ไอ้คำสัตย์คำจริงนั่นแหละมันไม่สอเสียใครมันไม่เป็นคำหยาบมันไม่เป็นธรรมเพอร์เจอเพราะในตัวสัตย์หยตัวนี้ที่จริงมันครุมหมดอีกสี่ข้อแต่พอทรงแสดงในกุศลกำหนดอกุศลกำหดก็ทรงแสดงแยกวาจาออกไปเป็นสี่ประเภท ก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดโ ส, สเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพอ้อเจ้อเรื่อหลและจะให้พูดอย่างไงล่ะก็พูดคําสัตย์คําจริตการส่งเสริมสามคัคคีประสานสามคัคคีกระชับสามคัคคีถ้าวางลองสังเกตว่าสัตว์จะมันนําไปสู่เมตตา เมตตากรุณาตอนนี้พวจจาแบบนี้เป็นเรียกว่าเมตตาวจจาหมายความว่าส่งเสริมสามัคคีก็ดีกระชับสามัคคีก็ดีแล้วก็ประสานสามัคคีก็ดีนั่นมันเกิดจากเมตตาต่อคนที่เราพูดด้วยเพื่อเกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข แล้วก็วาจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานฟังแล้วสบายใจในกรณีนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยไปร้อาไห่ก็ได้เพราะว่าคนเราเรื่องวาจาเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเรียกว่าเป็นวาสนาคือท่านพูดของท่านอย่างไงนะบางคนวาจาสุภาพนิ่มนวลอ่อนโยนมาก บางคนเสียงดังวังชัดพูดบางทีแ้่โกรธเจ๊ไม่โกรธอ่ะคือท่านพูกคนท่านอย่างนีน้อันนี้ก็เรียกว่าสนาของท่านพระหันเองยังละวาสนาไม่ได้เพราะว่าจจหยาบนั้นหมายความว่าเป็นการยกให้เกินความจริงหรือเป็นกฎให้ต่ำกว่าที่เขาเป็น เช่นตอนช่วงไหนล่ะช่วงต้นเดือนต้นเดือนสิงหานะมีวิทยกรกล่าวชื่นชมท่านนายกเรียกว่าสัตต์อภิสิทธิ์แต่ว่าท่านแปลว่าสัตว์บุรุษคือตะสองตัวนี่เขาไม่แปลว่าสัตว์บุรุษหรอกแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่า เป็นอาภิสิทธิ์ทัต t อันนี้มากไปที่จริงถ้าเรามองจริงๆทั้งสองคำเป็นคำด่าหมดแล้วก็เป็นคำหยาบด้วยกันทั้งคู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอาภิสิทธิ์ทัต tha เนี่ยมันยกย่องเกินไปเทียบระดับพระโพธิสัตว์ยกย่องเกินฐานะที่เขาจะเป็นยังไงเนี่เขาก็เป็นไม่ได้หรอก ก็เกิดอีกหลายชาตินะแล้วก็อะไรล่ะสัตต์สัตต์อภิสสัตต์อาิสัตต์อาิสิทสัตต์สัตต์อยู่หน้าหรืออยู่หลังชักไม่แน่ใจแต่ละแต่ว่าสรุปธาตุตัวต่อตาวสองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสัตต์สัตติรชานหรือสัตต์ที่แปลว่าเจต ก็ไม่รู้ยกย่องอย่างไรเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาเขียนหัวข้อไปจริงๆนะ่ะเขาเขียนยังไตงต่อการเรืองซื้อพิมพ์ลอกมาเนี่ยเราก็ อ, อนิยายไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าอภิสิทธิ์ทัศนเนะ่เขาเข า, เขายืนยันว่าเขาพูดจริงนี่ก็เป็นเป็น เป็นคำหยาบนะฮะถ้าพูดอย่างนั้นก็เป็นคำหยาบแล้วก็พูดคาที่เป็นสาระประโยชน์เรื่องนั้นเรื่องจริงไหมเป็นธรรมไหมมีประโยชน์ไหมคือประเด็นที่เทียบเคียงเนี่ยแต่ต้องไปดูที่การาเทศซะซึ่งจะใช้วาจาซึ่งสมบูรณ์ด้วยองค์สามานั่นเราต้องไปเทียบเคียงกับการาเทศะ ดูความเหมาะความควรในการละเทศะสมารกรรมาตาคือการประพฤติชอบที่จริงควรจะเรียกว่าการประพฤติชอบแต่ท่านแปลมาตั้งแต่โบราณท่านแปลวะ่าการงานชอบคือการกระทำชอบก็ได้แก่การงดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์สินโล่งละเมิดในทางเพศ แล้วก็สมาชีวะสมาชีวะนี้พูดยากเพราะว่าสถานะของคนนั้นแตกต่างกันโดยเนื้อหาก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนั่นคือเนื้อหาของศีลให้ละการเลี้ยงชีพในทางชีพผิดมาดำเนินชีวิตในทางที่ชอบชอบด้วยอะไรชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยศีล ชอบโดยธรรมยุติด้วยศีลยุติด้วยกฎหมายยุติด้วยธรรมบางเรื่องมันเป็นอย่ารีดประเพณีขนรทมเนียมตามไปด้วยต่อไปก็เป็นสมาวายามะคือความเพียรพยายามชอบหรือความพยายามในทางที่ชอบแต่กายพยายามในการ ป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นพยายามละบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ลดน้อยถอยลงไปพยายามสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นพยายามรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม อันนี้เป็นปริยายที่ทรงแสดงโดยสมบูรณ์คือมันมีการป้องกันมันมีการบำบัดมีการบำรุงมีการรักษาแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเทียงแต่เราทาความดีเท่านั้นเองความดีจะทำหน้าที่ป้องกันความชั่วเทียงไม่เกิดขาจาัดความชั่วที่เกิดแล้วแล้วก็เพิ่มพูนความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมไปพร้อมๆกับ ความดีใหม่ที่ตนทาได้เพิ่มพูนขึ้นนั่นแหละประกั็นต่อไปก็เป็นสมาสติการตั้งสติลึกในทางที่ชอบทรงใช้คำว่ากายเบทนาจิตธรรมถามว่าหมดโลกหรือยัางาจะเจนว่าโลกนี้มันสรุปเป็นรูปน้ำกลายเป็นรูป เวทนาเป็นนามจิตเป็นนามธรรมะเป็นทั้งรูปทั้งนามมันก็ความสั้นๆอย่างนี้มันครอบคลุมหมดแล้วโดยเฉพาะในธรรมะนี่ยจริงๆเป็นบทสรุปความกายเวทนาจิตธรรมไปไว้ที่อีกที่หนึ่งในที่คำว่าธรรมะปทธรรมะมันก็เป็นกุศลธรรมะกุศลธรรมะปะยากรตาธรรมะ ใช้สติสัมมชัญญะเล็ความเปี่ยนตั้งใจระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามจริตอัธยาศัยของตัวเองชีพความสงบมันเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็จากนั้น ก็จะเกิดความรู้เห็นที่ชัดเจนขึ้นมาว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้ที่จริงแล้วมันก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราพูดง่ายๆว่า ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแต่สักว่ากายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นได้เห็นอย่างนี้ได้ก็ยอดแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่ามันดับตัณหาอุปาทานได้แล้วใจก็ถึงความจริงขนาดนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วจือราท่องนี่วันที่เราก็ท่องได้ แต่ก็ทําใจไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถูกหนามตามนิดเดียวเราก็ร้องโอยแล้วถูกเพื่อนหยิกหยิกนิดเดียวก็เราเข้าไปรับเต็มที่แล้วเราเจ็บจริงก็หยิกเนื้อนะไม่ใช่หยิกเราหยิกที่หนังด้วยแต่เราก็เจ็บเพราะว่า เราไปรู้สึกว่าหนังของเราการปฏิพัฒนาไปถึงขั้นนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่กนะเป็นคาสอนที่สุดยอดมากและก็มีคนปฏิบัติได้องค์ศาสดาก็ทำได้ภาษาโวท์ก็ทำได้แล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนจำนวนพระอาหารหันต์ก็คงลดน้อยถอยลงไปเพระาะว่า ประจากรมันเพิ่มขึ้ น, นคนคิด้วยเปอร์เซนต์มันก็ต้องลดหรอกแต่ว่าพิสูจได้โดยการที่มีอรรยมรตมีองค์แปประการอยู่พระภูมิภาคจะส่งรับรองไมว่าลาบใดที่อรรยมรกเปองค์แปดประการยังมีอยู่สาบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระยบุคคลทั้งสี่ประเภท ต่อไปก็เป็นสมาสัมมาธิจที่ตั้งมั่นในทางที่ชอบก็คือได้บรรลุรูปฌานสี่ถ้าเน้นที่รูปฌานสี่นะแต่ในพิธรรมเรียกว่ารูปฌานห้าเรียกปัจญจมาฌานหรือจตุฌานก็กระแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรองฌานเหมือนเดิมนะฮสงบนิวรณอยู่เหมือนเดิมทีนี้เจ็ดประการนี้แหละตอนที่เกิดสมาธิสชเนี่ย มันเกิดรอบที่สมบูรณ์เพราะในภาคปฏิบัติจะเห็นได้ว่าจิตมันหมุนไปบนกระแสะของอารมณ์มากเรื่อยๆความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกายสงบปัจจาสงบใจสงบกายสงบปจาจจสงบใจสงบจนถึงสงบหมดไม่มีแม้แต่ความคิด ภายในจิตไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าอนุสัยเรียกว่าสังโยชน์เรียกว่าอาสวะเรียกว่าอุปาทานนี่มันไม่มีแล้วก็เกิดเป็นตอนเกิดเป็นญาณมันยังมีอยู่นะฮะตอนญาณเราเกิดก่อนพวกนี้ก็ดับตอนสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเนี่ยคือ ก, ก็สมบูรณ์คือคนไปอย่างสมบูรณ์แต่ว่าในที่บางแห่ง ยังมีคำว่าวิมุตติญาณนะทัศนะอยู่ด้วยหมายความมาเกิดญาณรู้เห็นในวิมุตตคือความหลุดพ้นของจิตตามนญยาที่ได้ยกไว้ในตอนอนัตตลักษณะสุดช่วงสุดท้ายนะนี่ก็เป็นความเกี่ยวข้องยึดโยงของธรรมะที่ภาษาพระเถระแสดงก็คือตรงกับที่อระจาทธสงสดง ต้องฟังทลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี